ฉันก็เริ่มสังเกตอาการทยานของจิตถี่้วนขึ้นได้เห็นปฏิกิริยาทางจิตที่ไม่เคยเห็นมาก่อนมากขึ้นทุกทีฉันพบว่าบางครั้งเราปล่อยให้ใจทะยานไปยึดตามสบายเห็นด้วยสติแล้วดับเองโดยไม่ต้องทำอะไรแต่บางครั้งถ้าปล่อยให้ทะยานไปแล้วจะหยุดไม่อยู่สติไม่มีกาลังพอจะเห็นโดยความเป็นภาวะเกิดแล้วต้องดับเพราะฉะนั้น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 ด้วยความนึกเข้าใจว่าเป็นของเย็น